หนึ่งสัมมาสมาธิจึงจะมีสมณะสี่คืออริยะบุคคลสี่เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะยังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ปรากฏสัมมาสัมโพธิญาณยังไม่มีใครรู้จักสัมมาสมาธิ ที่เป็นสมาธิพิเศษเฉพาะของพุทธศาสนาเดียวนี้ศาสนาอื่นใดไม่มีสัมมาสมาธินี้เลยเพราะไม่มีมรรคอันมีองค์แปดจึงไม่มีสมณะสีคืออริยบุคคลสี่โสดาบันสกิทาคามีอานาคามีอรหรัน พราะไม่มีทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่เป็นทฤษฎีอันมีพร้อมครบความจริงศาสตรจะทั้งสองศาสตรจะคือสมมุติสัรจกะกับปรมัติษศาสตรจะที่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงครบพร้อมองค์ประกอบของรูปและนามทั้งภายนอกดินน้ําไฟลมอากาศ และภายในวิญญาณที่สัมผัสสัมพันธ์กันสังขารกันอยู่เป็นกายคือเป็นองค์ประชุมของรูปและนามที่ทำปฏิกิริยากันอยู่ไม่ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งในสองนี้ไม่ได้แยกกันคือมีอยู่พร้อมในขณะนั้นทั้งสองสภาวะธรรมสองสัจจะ ซึ่งทุกวันนี้มีความรู้ผิดเพี้ยนความจริงตามที่ได้สาธยายมานั้นกันแล้วหลงไปจมอยู่แต่กับฝันตามที่ได้สาธยายมานั้นนั่นเองดังนั้นก็มีแต่เจโตสมาธิเมดิ a t ชั n คือสมาธิหลับตาเข้าไปอยู่ในภาวังแม้ลืมตาก็ตาม ก็เป็นการเพ่งดิ่งเข้าไปขบคิดในพวังที่เรียกว่าการตรึกตักกีหรือการค้นคิดวิมังสีจึงไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอะไรต่ออะไรได้ครบบริบูรณ์ซึ่งความรู้แบบนี้ก็แค่ความรู้สัญญาที่กำหนดรู้อยู่แค่อดีตและอนาคต ถึงจะเป็นปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันในพวางังมีแต่ตักกีโหติวิมังสีเท่านั้นแต่ยังไม่เป็นปัจจุบันที่บริบูรณ์ท้งภายนอกภายในทั้งรู้เห็นดินน้ำไฟลมและรูปอีก24อุปาทายรูปรวมร่วมกันอยู่พร้อม จึงยังไม่บริบูรณ์ทั้งสมมุติสัจจะและประมัตาร์สัจจะครบสองสัจจะครบสองสภาวะคือทั้งรูปและนามจึงยังไม่เรียกว่าความจริงเรียกได้แค่คนอยู่ในฝันดังที่สานักธรรมกายเขามีแต่โรงเรียนในฝัน ก่อนจะสอนกันก็หาหนึ่งทีแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะนั้นนั่นแลก็ตรงตามที่เขาพูด